ตสัพเพมนุษะก็มุ่งแต่เฉพาะมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงแต่สัพเพวิปปาติกาก็มุ่งแต่เฉพาะเปรตทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เรียกว่าโอธิสปรนาแปลว่าแผ่ไปโดยเจาะจงะการแผ่ไปโดยเจาะจงเช่นนี้ก็ได้ประโยชน์แคบอาจจะเกิดประโยชน์เฉพาะตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ได้แต่ว่าประโยชน์นั้นคับแคบหรือเกินซึ่งเมตตาดังกล่าวนี้ก็ได้ผลในบางครั้งที่เราสามารถจะขจัดอกุศลต่างๆภ า, า, ายในจิตของสรรพสัตว์นั้นนะ่ะได้สาเร็จเหมือนกันถ้าหากว่าเราแผ่ไปโดยเจาะจงเช่นเนี่ยอย่างแรงกล้า เ, เช่นอย่างคนใดที่เป็นศัตรูกับเราหรือเรารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ชอบเรา เราจะแก้ไขได้อย่างไรให้คนคนนั้นชอบเราการแก้ไขดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเราจะต้องไปหาคาถาเมตตามหานิยมอย่างใดอย่างหนึ่งมาท่องมาบริกรรมหรือไปหาพวกน้ํามันพรายพวกสเสน่ห์ต่างๆไม่จําเป็นแต่ถ้าเราสมรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วเราแผ่เมตตาไปในบุคคลเนี่ยอยู่เสมอเป็นประจําคนที่ไม่ชอบเรานั้นก็จะกลายเป็นชอบเราได้ คนที่เคยโกรธเราต่อไปก็ไม่โกรธให้ท่าทั้งหลายลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้โดยเราตั้งจิตเนี่ยแผ่อยู่เสมอเช่นคนไหนที่เราเกลียดก็ดีหรือเขาเกลียดเราก็ดีเราเกลียดเขาก็ดีเราแผ่เมตตาให้อยู่เสมอเราจะเห็นได้ว่าความเกลียดชงังหรือความขึ้นโกรธต่างๆในบุคคลเหล่านั้นนะ่ะจะบรรเทาลงแล้วก็หายหมดไปได้ในที่สุดแต่เราจะต้องแผ่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงๆ ปลูกเมตตาไปในจิตของเขาจริงๆแล้วสมเด็จเพราะว่าพระพุทธองค์เคยปฏิบัติมาหลายครั้งโดวยวิธีการดังกล่าวนี้เช่นอย่างในสมัยที่พระเทวทัตท่านคิดปรองพระชนพระพุทธองค์เนี่ยตอนเช้าโดยการปล่อยช่างนาราคีรีก่อนจะปล่อยออกมาก็ช่างนาราคีรีเนี่ยตกมันมีน้ำซ้ำเทวทัตยัยงไปมอมเล่าสิ เอาเหล้าให้ช้างเนี่ยกินเมาจช่โดยความร่วมมือของพระเจ้ า, าชาติศัตรูปล่อยช้างวิ่งเพื่อจะชนพระพุทธเจ้าระหว่างเสด็จออกบินทบารตอนเช้าพระพุทธองค์ประทับนิ่งเฉยแล้วก็แผ่เมตตาไปในจิตในช้างนราคีดีอํานาจจิตเนี่ยไปสัมผัสกับจิตของช้างช้างเึ่งเมามันไม่ได้สติไม่มีสติสัมชัญะมีแต่ความบุกดัน วิ่งอะไรขวางหน้าก็ชนละเนระนาดหดแต่เมื่อมาถึงก่อนจะถึงพระพุทธองค์แล้วด้วยเมตตาจิตกระแสจิตที่พุ่งไปสัมผัสกับจิตของช้างทําให้ช้างเนี่ยหมอบลงได้ไม่ประทุสร้ายต่อพระพุทธองค์เลยครั้งหนึ่งนายขมังธนูยกธนูจะยิงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์แผ่เมตตาไปกระแสจิตที่เมตตาไปสัมผัสกับจิตของบุคคลที่มาประทุสร้ายเนี่ยคนที่จะปะทุษรายพระพุทธองค์นั้น ยกธนูไม่ขึ้นที่ยกไม่ขึ้นนี่ก็คือจิตไม่ยอมสั่งงานให้ยกผลสุดท้ายก็ยอมอ่อนสารภาพผิดแล้วก็ขอบวชในสมนักของพระพุทธองค์ชัยชนะทั้งสองครั้งดังกล่าวเนี่ยชนะด้วยเมตตาธรรมแท้ๆด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแท้ๆไม่ได้ชนะด้วยอย่างอื่นเพราะฉะนั้นวิธีการดังกล่าวนี้ถ้าหากว่า เราจะนำเอามาใช้บ้างก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่จะเพื่อขจัดความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราได้พบคนที่เราไม่รักไม่พอใจก็จะหมดไปในที่สุดเพราะว่าคนโกรธกันเห็นหน้ากันเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ต่างฝ่ายต่างเป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยขโขทุกขโข ท่านตรัสไปแล้วว่าเมื่อเราได้ประจวบ ก, กับสิ่งที่เราไม่รักไม่พอใจแล้วมันเป็นทุกข์เหลือเกินคนไหนที่เป็นศัตรูกองเราเพรเห็นหน้าและจิตใจก็รขุ่นมัวเนี่ยเราจะแก้ไขกันอย่างไรวิธีแก้ไขก็ใช้วิธีนี้แหละคือท่านทั้งหลายจะต้องเจริญเมตตาแล้วจะต้องพยายามแผ่เมตตาไปในบุคคลเหล่านี้ทํำ บ, บ่อยๆทําให้มากแล้วอํานาจจิตที่ประกอบด้วยเมตตานี้ก็จะเป็นช่วยบรรเทา จิตดังกล่าวนั่นน่ะให้ทุเราเบาบางลงได้เนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะใช้เมตตาธรรมที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยไปแก้ปัญหาต่างๆได้และอันนี้แหละที่จะเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเพราะฉะนั้นการแผ่ เมตตาไปในบุคคลอื่นจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเจาะจงะหรือไม่เจาะจงก็ตามพื้นฐานของจิตที่มีเมตตานั้นเป็นสิ่งสำคัญจะต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆและก็มุ่งปลูกเมตตาต่อสรรพสัตว์จริงๆไม่ใช่เราหวังประโยชน์ตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อบุคคลเหล่านั้น ถ้าเราจะเจริญเมตตาเป็นบุคคลอื่นด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ต้องไม่หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนแต่มุ่งที่จะสงเคราะห์บุคคลอื่นเป็นที่ตั้งเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งทีนี้ก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยซึ่งมันจะเป็นปัญหาประเภทมโนสาเล่ที่เราได้พบกันอยู่บ่อยๆเช่น อ, อย่างเราไปเห็นคนขอทานเนี่ย มาอ้อนวอนขอเราเนี่ยจะทำยังไงเพราะาหากวก็เราให้ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยเนี่ยจะเป็นขาดเมตตาไหมเพราะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันมีปัญหาที่เราจะต้องแก้กันอยู่เสมอและปัญหาดังกล่าวนี่มันจะขัดกับหลักการที่เราได้ปฏิบัติอันนี้หรือไม่ เช่นปัจจุบันเนี่ยการทำทานการให้ทานซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นกิจวัตรของคนไทยอยู่แล้วอะ่ะคนไทยเนี่ยส่วนมากแล้วนิยมในการบริจาคทานที่เรานิยมในการบริจาคทานก็เพราะว่าเรามีขอทานถ้าไม่มีขอทานก็คงจะไม่มีผู้บริจาคทานทีนี้ขอทานบางคนเนี่ยมาขอทานแล้วเราก็ให้ไป ซึ่งบางทีคนๆนั้นมือดีเท้าดีเขาทำมาหากินได้เยี่ยงมนุษย์ทั้งหลายที่ทำมาหากินกันอยู่ปัจจุบันนี้แต่เขาไม่ยอมทำมาหากินละเขาจะขอทานกินแล้วเราก็ให้อยู่เสมอบ่อยๆอย่างนี้อันนี้จะเป็นเมตตาที่ถูกหรือที่ผิดทั้งฝ่ายปฏิบัติเช่นอย่างเจ้าหน้าที่ ก็มักจะพูดว่าเมตตาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ผิดเช่นอย่างนักประชาสงเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยก็จะบอกว่าผิดผิดอย่างไรผิดเพราะว่าประเทศเราเนี่ยพยายามไม่ให้มีขอทานเรามีสถานสงเคราะห์คนขอทานขอทานมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เก็บเอาไปสงเคราะห์ที่โน้นและที่เขาบอกว่าที่เราให้ทานเนี่ยไม่ถูกทางเป็นเมตตาธรรมที่ไม่ถูก เขาก็ให้เหตุผลว่าขอทานที่ไปเข้าไปสงเคราะห์อยู่ในปัจจุบันนี้บางคนไม่ใช่ว่าจะยากจนเดือดร้อนรวยกว่าคนที่ให้ทานอี ก, ออกเมื่อเร็วๆเวนี่ยขอทานตายคนหนึ่งมีเงินตั้งแสนกว่าบาทตายเมื่อเร็วๆเวนี่ยประวานได้ยังสนทนากันในเรื่องนี้อยู่กับรองอธิบดีกรมชาสงเคราะห์ออเมื่อเร็วๆเวนี่ยตายไปแล้วก็มีเงินตั้งแสนกว่าบาท ขอทานนะเนี่ยแล้วเราก็ให้กันอยู่แลวบอกเมตตาอย่างเนี้ยมันไม่ถูกทางเป็นการส่งเสริมให้คนเกลียดครา้านคือเมตตาบางอย่างนี่มันก็บางทีมันก็ไปขัดกันกันกบระเบียบเช่นอย่างวัดเนี่ยอย่างวัดมหาธาตุเนี่ยถ้าเกิดมีพระท่านเมตตาเลี้ยงสุนัขเต็มวัดไปหมด สุนัขมันก็ถ่ายมูลเต็มวัดเห่าหอนกับเต็มวัดวัดสกปรกเทศบาลก็เห็นว่าไอ้สุนัขเนี่ยทำสกปรกหน้าร้อนสะอาด จ, จะเป็นโรคกลัวน้าแล้วก็อาจจะเที่ยวกัดชาวบ้านเขาให้เดือดร้อนเทศบาลมาจับไปพระก็บอกแมมไอ้พวกนี้มันขาดเมตตาธรรมเที่ยวจับสุนัขจับอะไรไปมันก็ไปขัดกันอีก ทางเทศบาล ก, ก็บอกโอ้เมตาอย่างนี้ไม่ถูกทางถ้าเมตตาจะเลี้ยงสุนักขกอสุนัขไปฉีดยาให้หมดทุกตัวปล่อยประละเลยอย่างนี้ไม่ได้เมตตาต้องเป็นเมตตาที่ถูกทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างเนี้อยู่เสมอหรือบางทีพ่อแม่ที่เมตตาต่อเด็กต่อลูกก็ดีบางทีก็เมตตาไม่ถูกทางเหมือนกันการที่เราแสดงออกซึ่งเมตตาทำในทางที่ไม่ถูกทางเนี่ย มันเป็นปัญหาที่เรานำมาถกเถียงกันก็บางทีเราอาจจะคิดว่าสิ่งใดที่เป็นความขัดแย้งต่อปฏิปทาที่เราเบำเพ็ญอยู่เราอาจจะคิดว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เมตตาธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าเมตตาเนี่ยมันก็มีปัญหาที่เราจะต้องคิดกันหลายด้านไว ทำอย่างไรจึงจะเป็นเมตตาและอย่างไรจึงจะไม่เมตตาเพราะเมตตาบางอย่างเมื่อใช่ไปแล้วเนี่ยมันใช่ไม่ได้เพราะถ้าใช้ไปแล้วก็จะเกิดปัญหาต่งางๆขึ้นไม่ว่าจะเมตตาคนยากจนคือคนขอทานหรือเมตตาสัสนทั์ถ้าเกินไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูขอบเขตว่า เมตตาเนี่ยควรใช้อย่างไรและควรจะเป็นอย่างไรในการจเจริญเมตตาเมตากับหน้าที่นั้นควรจะแยกออกกันได้อย่างไรเพราะว่าเมตตาหน้าที่ระเบียบแบบแผนต่างๆที่วางไว้เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ในพระวินยัยท่านแสดงเมตตาไว้สองจำพวกเมตตาจำพวกหนึ่ง ถ้ายกตัวอย่างเช่นอย่างพระพิกสุหรือสัมมเนนกระทาผิดกระทำผิดละเราผู้ปกครองเนี่ยรู้ว่าทำผิดแต่เราใช้คำว่าเมตตาว่าเราไม่ลงโทษละเราช่วยเหลือท่านช่วยเหลือคนที่ผิดเอาไว้อย่างนี้จะเรียกว่าเมตตาไหม ต่อแม้ท่านเมตตาสูงแม้แต่คนทำผิดก็ไม่ลงโทษอย่างนี้ในทางพระวิดาถือว่าขาดเมตตาถ้าช่วยเหลือขาดเมตตาแต่ถ้าหากว่าเราลงโทษโดยให้ภิกษุหรือสมมาเ น, นนั้นลาสิกขาบทไปนั่นคือเมตตาเมตตาต่อภิกษุหรือสมมาเนนผู้กระทำผิดนั้น เพราะถ้าหากว่าเราไม่ให้ศึกหาราเพศออกไปหรือลาสิกขาไปแล้วก็เรียกว่าขาดเมตตาเนี่ยในผู้นานก็มีปัญหาที่เราจะต้องขบเคี้กันอีกว่าลักษณะดังกล่าวนี่อย่างการลงโทษคนผิดอย่างนี้เป็นเมตตาเพราะถ้าหากว่าเราไม่ให้ท่านศึกหาราเพศออกไปก็จะกระทําผิดยิ่งขึ้นทําบาปมากขึ้นอย่างเนี้ยัการช่วยไปเสีย ก็เรียกว่าเป็นการกระทําที่ประกอบด้วยเมตตาหรืออย่างคนร้ายที่อารวาสอยู่ถ้าชีวิตอยู่อย่างสบายอิสระเสรีอย่างนี้แกก็เสี่ยวฆ่าเขาปลมนสะดมเขาเบียดเบียนเขาเราก็มีเมตตาทำจับมันขังตารางสิอย่างนี้ก็เรียกว่าเมตตามีเมตตาต่อคลนได้ไม่ใช่ใจร้ายหรอกเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าปล่อยไปแล้วคนคนนี้จะทําบาปมากยิ่งขึ้น เรามีเมตตาเราก็จับไปขังตารางสิแกจะได้ไม่ทําบาปต่อไปไม่เบียดเบียนคนอื่นต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเมตตาต่อคนได้ไม่ใช่ขาดเมตตาเพราะฉะนั้นเรื่องเองมตตาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันให้ละเอียดว่ายัางไหงเป็นอย่างไหนไม่เป็นเพราะบางท่านใช้ผิดมันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมา แทนที่จะเป็นเมตตาในทางที่ถูกก็กลายเป็นเมตตาในทางที่ผิดๆซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นฉะนั้นในพระวินัยเนี่ยท่านจึงาวางไ ว, ว้ว่าการที่ปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเมตตาอันหนึ่งต่อบุคคลหนาวนั้นส่วนการที่เราแผ่เมตตาไปในสรรัค์นั้นก็เป็นเมตตาอีกนางหนึ่งในทางที่เป็นกุศล ในทางที่ดีแต่ว่าเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่เราจะต้องแยกแยกเมตตาธรรมที่เรามีอยู่ต่อสนพระสัตว์กับหน้าที่ระเบียบแบบแผนต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยว่าอย่างไหนเป็นอย่างไหนไม่เป็นต้องดูเหตุผลด้วยจากการกระทําเช่นนั้นและการไม่กระทําเช่นนั้นต้องมาช่างกันดูว่า อย่างไหนเป็นผลดีอย่างไหนเป็นผลเสียเอามาช่างกันดูถ้าช่างกันแล้วเราเห็นว่าควรจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตัดสินใจทําโดยไม่ใช่มีเป็นความประทุษร้ายต่อสรพัตว์เช่นนั้นแต่ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อความปรารถนาดีแก่สัตว์นั้นในความปรารถนาดีต่อสรัตว์ทุกท่วนหน้าอย่างเนี้ยท่านกล่าวว่าเมตตาธรรมก็ไม่เสีย ฉะนั้นเรื่องการปลูกเมตตาธรรมไปนในสันปัจจักเนี่ยก็เรามักจะมีปัญหาเช่เนียเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอยู่เสมอทีเดียวซึ่งเราจะต้องเข้าใจด้วยการเปรียบเทียบด้วยกวารด้วยการวัดหรือประเมินดูว่ายัางไหมจะเป็นผลได้ผลเสียมากกว่ากันแล้วเราก็ตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเนี <c oughs> ่ยอันนี้ บางทีก็เป็นเรื่องที่บุคคลบางท่านเห็นว่าเป็นความดีเช่นอย่างในกรณีของคนที่ช่วยเหลือบุคคลอื่นเนี่ยเช่นอย่างปฏิปทาของผู้บำเพ็ญบารมีของโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานโพธิสัตว์ทั้งฝ่ายมหายานเนี่ยบุคคลที่จะเป็นโพธิสัตว์ได้เนี่ย ทนบอกบุคคลคนนั้นะ่ะจะต้องสามารถเสียสละเพื่อสรรพสัตว์ทั้งปวงได้แม้กระทั่งตัวเองจะต้องตกนรกก็ต้องเสียสละเพื่อความสุขของสรรพสัตว์โดยยอมตัวเองจะต้องตกนรกก็แสดงให้เห็นว่าจริยาของพระโพธิสัตว์ทางฝ่ายมหายาณ น, นั้น เขาจะเสียสละแม้กระทั่งตัวเขาเองจะต้องตกนรกแต่เพื่อความผาสุกแก่สรรพสัตว์เป็นจํานวนมากแล้วพระโพธิสัตว์ต้องทําอย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าเรายอมรับบาปแทนคนอื่นเพื่อความสุขของสรรพสัตว <c oughs> ์คล้ายๆ ก, กันกับพระเยซูลงมาถ่ายบาปให้แก่สรรพสัตว์ พระเยซูยอมถูกตรึงไม้กลางเขนยอมถูกฆ่าตายเพื่อช่วยเหลือสันพระสั์ซึ่งมันก็เป็นปฏิปทาที่คล้ายค ล, ายลึงกันมีความต่างกันอยู่บ้างก็เป็นหลักปรีกย่อยถ้าเราสามารถที่จะเสียสละได้แม้กระทั่งตกนรกเพื่อความสุขของผู้อื่นนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ เบ้ในปัจจุบันเนี่ยบุคคลที่จะเป็นผู้นำหรือผู้ปกครองที่จะสร้างความสุขให้แก่คนอื่นเป็นจำนวนมากๆได้นั้นจะต้องเป็นคนกล้าเสียสละแม้แต่จะต้องตกนรกเพื่อความสุขของคนอื่นได้นั่นแหละจึงจะสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นได้โดยตัวเองยอมทำบาป เพื่อความสุขของชนหมู่มากบางครั้งจะต้องใช้ประเดชนจนถึงที่สุดถึงกับฆ่าคนตายก็ต้องกล้าฆ่าเพื่อความสุขของชนหมู่มากอย่างเนี้จึงจะปกครองหมู่คณะและทำให้หมู่คณะเนี่ยเป็นสุขได้ในในในชนบางเหลา่าบางหมู่แต่ว่าใครล่ะที่จะเสียสละได้อย่างนี้นี่เป็นความเสียสละทาง ฝ่ายโพธิสัตว์ฟังรัติมหายานว่าสละได้แม่แต่จะต้องตกนรกเพื่อบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องเออมตตาธรรมที่เราจะแผ่ไปในบุคคลใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจว่าเมตตาคืออะไรแล้วการปลูกเมตตานั้นบางทีก็ผิดเมตตาจนเลยเถิดไปก็มี จนผิดบางคนเนี่ยเมตตาจนกระทั่งขาดระเบียบมีความเป็นอยู่ไม่มีระเบียบว่าแหมท่านมีเมตตาสูงอย่างสมภารบางวัดเนี่ยเลี้ยงสุนัขเต็มกุติหมดทั้งสุนัขทั้งแมวเวลาพระไปเยี่ยมก็จะตักกราบท่านเนี่ยหาที่นั่งกราบไม่ได้เพราะมีแต่ขนสุนัขขนแมวเต็มปุติไปหมด หรือถ้ากราบไปเดี๋ยวก็ไปกราบสุนัขกราบแมวจะว่าแม้ท่านเมตตาสูงเหลือเกินมันก็เกินจริงๆมันเลยเถิดไปซึ่งบางครั้งมันก็เหลือเกินจนกระทั่งขาดระเบียบแล้วก็ทำให้สังคมส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเมตตาทั้งหลายที่เราจะปลูกฝังไปในสันตสัตว์เนี่ยควรจะมีขอบเขตด้วยมีระเบียบแบบแผนที่ดีงามอยู่ด้วย การปลูกความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์นั้นเป็นความดีอันหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเมตตาธรรมนะความปรารถนาดีก็คือการที่เรามุ่งที่จะช่วยเหลือเกือกกกกเอเก้อกูลซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการตอบแทนหรือมุ่งที่จะเอารัดเอาเปรียบกันนั้นจึงจะเป็นเมตตาธรรมที่ถูกต้อง คือจะต้องเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ผุดพองว่าเมื่อเราช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเราก็มุ่งช่วยเหลือจริงๆเพื่อให้เขาหล่านัพนพ้นทุกข์นั้นการแผ่เมตตาธรรมเนี่ยเราจะต้องเลือกว่าเราจะแผ่แบบไหนแผ่โดยเจาะจงหรือไม่เจาะจงนี่ทั้งสองอย่างที่เป็นโอทิสกับโอโนทิสะภรณา ทีนี้ถ้าจะแผ่ไปโดยทั่วทิศนอกจากวิธีทั้งสองแล้วก็มีการแผ่ไปตามทิศต่างๆเช่นอย่างทิศเนี่ยมีอยู่สิบทิศท่านจัดไว้สิบทิศคือทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ทิศเบื้องต่าทิศเบื้องบนรวมทั้งหมดเป็นสิบทิศในสิบทิศเนี่ย ถ้าเราจะแผ่เมตตาไปตามทิศต่ตางๆนั้นเราจะแผ่อย่างไรท่านก็สอนว่าเราจะต้องแผ่ไปยังทิศตา่างๆเช่นถ้าสมมติว่าเราจะแผ่ไปยังสันทัศว์อยู่ทางทิศตะวันออกเราก็ตั้งจิตว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ทางทิศตะวันออกเนี่ยจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงอย่าได้มีความ ทับแค็งใจหรือเดือดร้อนใจลำบากกายลําบากใจเลยจงมีความสุขรักษาตนยิ่งขึ้นไปเถิดบุ่งทิศทิศใดทิศหนึ่งหรือจะแผ่ไปทางทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เนยทิศเบื้องต่ําทิศเบื้องสูงอย่างนี้เรียกว่าแผ่ไปตามทิศเพราะฉะนั้นถ้าเราแผ่ไปตามทิศอย่างนี้ก็เป็นการเจาะจงทิศนั้นๆ แต่ถ้าเราแผ่รวมไปทั้งหมดว่าทุกทิศทุกทางเนี่ยสเพสัตาอเวราหุนตุเป็นอัปปมัญญาเป็นเมตตาอัปปมัญญาหรือเป็นพรหมวิหารธรรมทีท่เป็นอัปปมัญญาธรรมแล้วก็เรียกว่าไม่มีขอบเขตแผ่ไปโดยไม่มีขอบเขตทั่วถึงกันหมดทุกเจียมพวกขึ้นสเพสัตาอเวราหุตุอัพยาปชาหุนตุอันดีคาหตุตุสุขีอัตานังปาริหารันตุ เวลานี้เราก็ใช้เพียงข้อนี้ข้อเดียวใช้คําว่าสัพเพสัตตาสัพเพปันนาสัพเพภูตาสัพเพปุกราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาทั้งสี่เนี่ยเราไม่เคยได้ใช้กันเท่าไหร่หรือสภาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษษาสัพเพวิิปาติกาที่เป็นอนุทิศาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราจะเจาะจงใช้ประกอบกันอย่างเจาะจงบุคคลเจาะจงทิศอย่างนี้ก็ได้ เช่นอย่างสัพเพสัตตาหรือสัพสัพเพสัตตาสัพเพปานาผู้ที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ทิศนั้นๆจงอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่ามีความลำบากกายลำบากใจเลยจงมีความสุขรักษาตนยิง่งยิ่งขึ้นไปเถิด อย่างนี้ก็ได้คือในสัตว์ในบุคคลในทิศที่เราเจาะจงไปแต่ว่าลักษณะดังกล่าวเนี่อนยอภปัญญาธรรมก็เกิดช้าถ้าเราจะมุ่งให้อภปัญญาธรรมเกิดเร็วแล้วก็ไม่ควรจะเจาะจงให้แพร่ไปในสัรพัตว์ทุกจําพวกโดยไม่เจาะจงจําพวกใดจาพวกหนึ่งใช้คําว่าสัพเพสัตตาก็ได้แต่ว่าให้ท่านทั้งหลายแพ่ อ, อยู่เสมอเสมอถ้าเราจะเจาะจงคนใดคนหนึ่งเจาะจงหญิงเจาะจงชาย หรือเจาะจงเทวดาเจาะจงมนุษย์เจาะจงเปรตอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ก็สู้ที่เราแผ่ไปโดยไม่เจาะจงไม่ได้ถ้าเมตตาเราดีแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเจาะจงเมื่อไม่เจาะจงแล้วเมตตานันก็แผ่ไปได้ไกลเมื่อเมตตามีอยู่สูงขึ้นอย่างนี้จิตก็จะมีแต่ความสงบเย็นไม่ร่าร้อน แล้วก็ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใครเนี่ยจะได้รับอันดีสงและอันดีสงเมตตาที่จะรับอย่างเนี้ยมีสิบเอ็ดประการดังที่ได้เคยอธิบายมาแล้วน่ะเป็นอนันสงส์ที่ได้จากเมตตาธรรมนอกจากนี้สมาธิจิตจะสูงขึ้นบุคคลที่จเจริญเมตตาประมวิหารธรรมแล้วสามารถบรรลุถึงปฐตมฌานได้ถึงทุติยฌานได้ถึงตติยฌานได้ ถ้าโดยปัญจกนายก็ถึงจตุตจารเนี่อา น, นิสงของการแผ่เมตตาเนี่ยได้ถึงจตุตจารนสมาธิสูงมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจเจริญอยู่เสมอแล้วแล้วก็จิตก็จะสงบโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นโทสะจริตแล้วควรจะได้จเจริญเมตตาอยู่เสมอจะทำให้ความโกรธเนี่ยบรรเทาลงเพราะบางท่านเนี่ย รู้เหมือนกันว่าความโกรธเนี่ยเป็นโทษไม่ดีแต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็ขอให้ท่านทั้งหลายมันจเจริญเมตตาอยู่ บ, บ่อยๆเมตตาธรรมนี่แหละจะแก้ไขความโกรธได้ทำให้เราใจเย็นขึ้นไม่เป็นคนฉุนเฉียวหุนหันทันแร่นแต่ว่าเป็นคนเยือกเย็นลงโดยมันจเจริญเมตตาอยู่ บ, บ่อยๆก็สามารถที่จะระงับความโกรธความผูพยาบาท อาฆาตจองเวรบุคคลอื่นเนี่ยได้ขอให้ทำอยู่เสมอสําหรับผู้ที่เป็นโทสะจริตตอนนี้มีอุปการะคุณแม้แต่ปัจจุบันเพราะาท่านทั้งหลายมีจิตประกอบด้วยเมตตาธรรมอยู่แล้วชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นสุขแต่ถ้าให้ความโกรธเข้าครอบงามแล้วชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นทุกข์ปัจจุบันเรายังหาความสุขไม่ได้ สัมปรายภพจะมีความสุขได้อย่างไรคติที่ไปนั้นก็ย่อมจะเป็นคติที่ไม่ดีเพราะปัจจุบันเนี้เรายังทำจิตของเราให้ผ่องใสไม่ได้แล้วเราจะไปสู่สุขคติได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ประบุคคนที่จะไปสู่สุขคติได้ก็ต่อเมื่อทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ปัจจุบันนี้จึงต้องรีบทำทำให้ผ่องใสได้ในช่วชีวิตที่ยังไม่ตาย ถ้าท่านจะตายก็ตายด้วยจิตที่ผ่องใสถึงตายท่านก็ไม่ไปสู่ทุกขติเราก็ยังได้ไปสู่สุกติเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุแม้แต่มรรคผลนิพพานเลยอย่างน้อยท่านทั้งหลายก็ยังมีสุกติเป็นไปในเบื้องมากจากการที่ได้อบรมจิตใจได้อย่างนี้ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติด้วยการเจริญเมตตาเนี่ย วิธีจเจริญเมตตานั้นท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้แล้วว่าไม่ยากเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็เกิดพ้นดีแกเราอย่างยิ่งสำหรับในชีวิตปัจจุบันนี่ก็ช่วยเหลือได้มากส่วนเมตตาอ่าส่วนปรมวิหารธรรมข้อที่สองคือการุณาและข้อที่สามมุทิตาข้อที่สี่อุเบกขาเนี่ยก็มีวิธีปฏิบัติ ระว่าการที่เราจะเจริญกรุณาจเจริญมุติตาจเจริญอุเบกขานั้นจะเจริญอย่างไรปัจจุบันนี้ส่วนมากเรานิยมแผ่แต่เมตตาเท่านั้นเราไม่ค่อยได้แผ่กรุณาไม่ได้แผ่มุติตาและไม่ได้แผ่อุเบกขาเรานิยมเพียงแค่เมตตาอย่างเดียวความจริงพรมวิหารธรรมเนี่ยต้องใช้ให้พร้อมและถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติได้อย่างนี้ท่านทั้งหลายจะชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นมนุษย์เ ย, ยี่ยงพรหมมีจิตเยี่ยงพระพรหมถ้าท่านเป็นพ่อแม่ก็เหมือนกับเป็นพรหมของบุตรถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับเป็นพรหมของสิทธิ์ถ้าเป็นผู้นำก็เหมือนกับเป็นพรหมของผู้น้อยของสรรพสัตว์ถ้ามีจิตประกอบด้วยพรหมวิหารทั้งสี่ข้อนี้ส่วนเมตตามุทิต า, ตาอุเบกขานั้นนะ่ะจะมาบรรยาย ในวันอาทิตย์หน้าให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องนี้สำหรับวันนี้เวลาของการบรรยายก็เห็นถ่าจะพอสุ้ควรแล้วขอขอบใจทุกท่าน น, นี้มีโอกาสมาบรรยายจะได้บรรยายในเรื่องพรหมิหารธรรมข้อที่สองต่อเพราครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเมตตา ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปแล้วในด้านของความหมายและในด้านของการปฏิบัติว่าเราจะแผ่เมตตากันอย่างไร <c oughs> วันนี้จะได้เริ่มหลักปฏิบัติข้อที่สองที่เรียกว่ากรุณาคำว่ากรุณานี้ เป็นคำที่เราจะต้องเข้าใจถึงความหมายของศัพท์เสียก่อนว่ากรุณานั้นมีความหมายว่าอย่างไรเพราะการใช้กรุณานี้มีมากบางทีก็ใช้ไม่ตรงกับสภาวธรรมอะไรอะไรก็กรุณาทั้งนั้นจนกระทั่งไม่ตรงกับสภาวธรรมที่ท่านได้แสดงเอาไว้ว่ากรุณาเนี่ย โดยความหมายนั้นคืออะไรคำว่ากรุณานี้ท่านให้คำจำกัดความว่ากินาติประทุกขังหิงสติติกรุณาแปลว่าธรรมชาติที่สงสารบุคคลอื่น